ที่ฟ้านำเธอมารวมทางอยู่กับฉันหามกลางคืนวันที่เหนื่อยลกา ก็ขอแค่ได้มองเห็นเธออยู่กับฉัน